สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเช้าวันนี้ดิฉันมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการฝึกสติในชีวิตประจำวันมาฝากค่ะได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าปาฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่เขียนโดยท่านเดชนัทฮันพระวิปัสสนาจันเซนผู้มีชื่อเสียงชาวเวียดนามซึ่งหลายๆท่านคงจะรู้จัก และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะจากบทธรรมในหนังสือเรื่องสันติภาพทุกย่างก้าวที่ดิฉันได้เคยนำมาถ่ายทอดให้ฟังในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ได้รับการแปลออกมาเป็นภาษาไทยโดยพระประชาประสันณธรรมโมเป็นหนังสือที่แนะนําในเรื่องของการฝึกสติ ชนิดที่ประยุกต์พระพุทธศาสนามาใช้สำหรับคนสมัยใหม่โดยเฉพาะและเป็นที่นิยมของผู้อ่านจำนวนมากค่ะสำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบของจดหมายที่ครูคือท่านนัดฮันซึ่งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเขียนมาสนทนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกสติในชีวิตประจาวัน กับสิทธิที่เป็นชาวเวียดนามของท่านที่มีชื่อว่าฮวงรวมทั้งได้มีการเอ่ยถึงสิทธิที่เป็นชาวต่างชาติคนอื่นๆของท่านด้วยเช่นสตีฟจิมและแองจีเป็นตน้นซึ่งสิทธิ์ของท่านทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความเสียสละทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมพร้อมๆไปกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองโดยผ่านการเจริญสติในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นดิฉันได้อ่านแล้วทำให้รู้สึกมีกำลังใจและเกิดแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ของชีวิตตนเองให้ดีที่สุดพร้อมๆไปกับการช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตอื่นๆที่ได้มีโอกาสสัมผัส ผ, สผ่านทางอาชีพการงานในสังคมจากจุดนี้เอง ที่ทําให้หวนระลึกไปถึงคําสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคําสอนที่ส ม, สมัยและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีทีเดียวพอกล่าวถึงท่านอาจารย์พุทธทาสผู้รู้ท่านหนึ่งได้เล่าว่าคราวหนึ่งเมื่อท่านอาจารย์อาภาษหนักท่านได้ให้พระอุปถากอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟัง เท่านั้นยังไม่พอท่านยังแนะนำคนใกล้ชิดให้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกด้วยค่ะเรามาติดตามรับฟังเนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะ ปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอตอนลมหายใจของซูควงที่รักเมื่อวานนี้สตีฟได้แวะมาเยี่ยมพร้อมด้วยโทนี่ลูกชายของเขาโทนี่โตรเร็วมากทีเดียวตอนนี้อายุได้เจ็ดขวบเต็มแล้วและพูดคล่องทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษมีหนาซ้ำ ยังรู้จักพูดภาษาสแงได้ไม่น้อยด้วยการเลี้ยงดูเด็กที่นี่ต่างจากบ้านเรามากทีเดียวพ่อแม่ที่นี่เขาเชื่อกันว่าเสรีภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการของเด็กตลอดสองชั่วโมงที่ครูคุยกับสตีฟนั้นเขาละสายตาจากลูกชายไม่ได้เลยโทนี่เล่นโน่นเล่นนี่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็พูดสอดขึ้นมาขัดจังหวะ ทำให้เราสนทนากันจริงจังไม่ได้เลยครูเอาหนังสือรูปภาพสำหรับเด็กให้แกดูหลายเล่มแต่แกเหลียวดูนิดเดียวก็โยนทิ้งไปแล้วก็มากวนการสนทนาอีกโทนี่เรียกร้องความเอาอกเอาใจตลอดเวลาตอนหลังพอโทนี่ออกไปเล่นกับเด็กเพื่อนบ้านครูถามสตีฟว่าชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างราบรื่นดีไหม ตไม่ตอบคำถามครูตรงๆเมื่อปีที่แล้วเขาพาภรรยาคือแอนและโทนี่ไปเที่ยวอินโดนีเซียแล้วก็ตกลงอยู่ที่นั่นกันตลอดปีระหว่างนั้นแอนได้ให้กำเนิดบุตรคนที่สองและพ่อแม่ได้ตั้งชื่อให้แม่หนูน้อยว่าซูเข้าไปกันสามแต่ขากลับกลายเป็นสี่ และเพิ่งกลับมาถึงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแอนเป็นศิลปินแต่สตีฟเล่าว่านับตั้งแต่ซูเกิดเธอไม่ได้จับผู้กันเลยสักครั้งเดียวแอนอุทิศเวลาและพลังงานทั้งหมดให้กับซูเธอแทบจะไม่ได้ให้ความเอาใจใส่ต่อโทนี่อีกเลยสตีฟ พ, พูดว่าไม่ใช่เพราะเธอไม่รักโทนี่หรอกเธอรักมากเสียด้วยเพียงแต่ว่า ตอนนี้เธอมีชีวิตอยู่เพื่อซูเท่านั้นผมเชื่อว่าอีกระาวราวสักปีหนึ่งเธอก็จะจับผู้กันอีกและจะให้ความสนใจต่อซูและโทนี่เท่าๆกันสตีฟเล่าว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไม่มีโอกาสนอนเต็มตาเลยเนื่องจากแอนเหนื่อยมากจึงขอร้องให้เขาคอยช่วยตื่นขึ้นมาดูซูแทน มาดูซิว่าแม่หนูน้อยยังหายใจอยู่หรือเปล่าผมตื่นขึ้นมาดูซูแล้วก็ล้มลงนอนอีกบางทีผมเพลียเหลือเกินก็เลยบอกว่าเมื่อชั่วโ ม, มงที่แล้วยังหายใจอยู่เลยตอนนี้ก็ยังต้องหายใจอยู่นั่นแหละแต่แอนมักจะไม่ยอมผมก็ต้องยอมแพ้เธอเสมอบางทีแอนก็ลุกขึ้นมาดูเองบางคืนเราตื่นขึ้นมาตั้งสองสามครั้ง ครูถามอีกว่าชีวิตที่มีครอบครัวและชีวิตโสดอันไหนจะมีความสุขกว่ากันสตีฟไม่บอกตรงๆเช่นเคยแต่ครูเข้าใจดีหลายคนพูดว่าถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็จะทำให้คุณอ้างว้างน้อยลงและทำให้ชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นคุณว่าจริงไหมสตีฟไม่ตอบเขาเพียงแต่โครงศีรษะไปมา ได้พึมพำอะไรเบาๆแต่ครูเข้าใจดีสตีฟเล่าว่าเขาได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมากครูถามว่าเขาทำอย่างไรสตีฟบอกว่าแต่ก่อนผมแบ่งเวลาออกเป็นหลายช่วงส่วนหนึ่งสำหรับโทนี่เช่นช่วยทำกันบ้านอ่านหนังสือนิทานให้ฟัง อาบน้ำให้อีกส่วนช่วงหนึ่งแบ่งไว้ให้แอนช่วยดูแลซูไปจ่ายกับข้าวให้เอาเสื้อผ้าไปร้านซักรีดเป็นเพื่อนคุยตอนซูหลับซูและแอนเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเพราะลมหายใจของซูก็คือลมหายใจของแอนถ้าคนใดคนหนึ่งหยุดหายใจอีกคนหนึ่งคงหยุดด้วย และเวลาที่เหลือนอกนั้นก็เป็นของผมเองผมอ่านหนังสือบ้างเขียนหนังสือบ้างบางทีก็ทำงานวิจัยบางครั้งก็ออกไปเดินเล่นส่วนที่สํานักงานก็เป็นเวลาสาหรับทำงานไปแต่เดี๋ยวนี้ผมพยายามไม่แบ่งเวลาเป็นส่วนๆเวลาที่ผมให้โทนี่และแอนนนั้นผมถือเป็นเวลาของผมเองด้วยเวลาโทนี่ทากันบ้าน ผมพยายามไม่ไปคิดในใจว่านี่เป็นเวลาที่ฉันเผื่อไว้ให้โทนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะมีเวลาของฉันเองผมพยายามหาทางมองให้เห็นว่าเวลาที่ผมให้กับโทนี่ก็เป็นเวลาของผมด้วยผมให้ความสนใจต่อสิ่งที่เราทำร่วมกันมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในการร่วมกับโทนี่อ่านบทเรียนด้วยกัน โดยวิธีนี้ทำให้เวลาสำหรับโทนี่เป็นเวลาสำหรับผมเองด้วยและผมก็ใช้วิธีนี้เช่นกันกับเวลาที่ให้กับแอนและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเดี๋ยวนี้ผมมีเวลาสำหรับตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดเลยเวลาที่สตีฟเล่าเขาก็ยินไปด้วยครูก็แปลกใจครูรู้ดีว่าสตีฟไม่ได้เรียนรู้สิ่งนี้จากการอ่านหนังสือที่ไหน เขาค้นพบด้วยตนเองจากชีวิตประจำวันของเขาเป็นเวลาสองสามเดือนมาแล้วที่ครูได้ร่วมศึกษาพระสูตรเรื่องสติกับกลุ่มศึกษากลุ่มเล็กๆ ก, กลุ่มหนึ่งทุกเกย็นวันเสาร์พอครูอธิบายจบบทหนึ่งพวกหนุ่มๆสาวๆในกลุ่มก็จะถามถึงวิธีที่จะประยุกต์สิ่งที่พูดถึงในพระสูตรมาใช้ในชีวิตประจาวัน เราพิจารณากันถึงเรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับเวลานี้แหละแม้ว่าสตีฟจะไม่ได้ร่วมกลุ่มศึกษาสักครั้งเดียวเพราะเขาพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แต่เขาก็เข้าใจถึงสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองขณะที่กลุ่มของเรานั้นค้นพบจากพระสูตรที่ศึกษาร่วมกันเมื่อเสาร์ที่แล้วครูได้นำเรื่องที่สตีฟเล่าให้ฟังมาสนทนาในกลุ่ม ผู้ฝึกบำเพ็ญสมาธิเด็กหนุ่มคนหนึ่งปรารภว่าสตีฟได้ค้นพบหลักการแล้วก็จริงแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ค้นพบวิธีการที่จะเข้าถึงหลักการนั้นหรือยังครูตอบว่าถ้าเธอสามารถค้นพบหลักการเธอก็น่าจะค้นพบวิธีการด้วยถ้าสตีฟรู้วิธีที่จะมีความรู้สึกร่วมกับการแสดงออกของโทนี่จริงๆ สนใจบทเรียนของโทนี่จริงๆแสดงว่าเขาได้ค้นพบวิธีการของเขาเองแล้วเป็นที่แน่นอนว่าพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องสติไม่ได้เป็นแหล่งเดียวที่เราจะพบวิธีการชอว่านี้แมสติฟจะศึกษาพุทธธรรมและเรียนสันสกฤตแต่เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธซึ่งก็มิได้หมายความว่า จำเพาะผู้ประกาศตนเป็นชาวพุทธเท่านั้นที่จะรู้ถึงวิธีการเข้าถึงพุทธธรรมและ ว, วิธีการเข้าถึงนี้ก็ไม่ได้มีอยู่แต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าไม่ใช่ชาวพุทธเท่านั้นที่จะรู้ถึงวิธีการเข้าถึงพุทธธรรมพระโคตมาพุทธเจ้าและปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็แทบจะไม่เคยมีใครประกาศตนเป็นชาวพุทธ ก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะค้นพบมัรกและวิธีการเข้าสู่มัรกนั้นไม่ใช่หรือเด็กอีกคนหนึ่งในกลุ่มได้เสนอว่าหนูคิดว่าเราควรจะเชิญสตีฟมาเข้าร่วมกลุ่มศึกษาของเราสักครั้งหนึ่งบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาก็ได้ครูคิดว่าเธอผู้นี้ได้สานึกถึงสิ่งสาคัญบางอย่างแล้วนั่นคือ ชาวพุทธก็อาจจะเรียนรู้จากบุคคลที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธได้โดยไม่ยากและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือชาวพุทธสามารถเรียนรู้พุทธธรรมมากมายโดยผ่านบุคคลที่ไม่ได้ประกาศตนเป็นพุทธครูจำคติข้อหนึ่งที่แพร่หลายอยู่ในนิกายมหายานได้ดีคือวิถีทางแห่งพุทธธรรมคือวิถีทางแห่งชีวิต เราจึงพูดได้เหมือนกันว่าวิธีการในพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องสติกับแสงสว่างที่สตีฟได้รับนั้นมีบางส่วนที่ร่วมกันอยู่เช่นเดียวกันถ้าสตีฟ ป, ปรารถนาเขาก็สามารถประยุกต์ใช้วิธีการที่สอนไวในพระสูตรได้ด้วยบางทีเป็นไปได้ที่ว่าวิธีการที่สตีฟค้นพบเองนั้นอาจจะไม่พอที่จะช่วยให้เขาบรรลุปเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ การตื่นขึ้นมาดูลมหายใจของซูยังเป็นเรื่องกวนใจเขาอยู่แต่ก็นั่นแหละไม่ว่าใครหากต้องทำสิ่งเดียวกันนั้นก็อาจจะต้องบนอย่างเขาทั้งนั้นแต่จะไม่มีวิธีการใดเลยในพระสูตรที่จะช่วยให้สตรีปเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งเวลาที่เขาหลับและเวลาที่ตื่นมาดูซูเชลหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนหนุ่มสาวเพื่อรับใช้สังคมของเรา ก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าวิธีการของสตีฟนั้นช่วยเขาได้ไกลแค่ไหนครูรู้ว่าไม่มีใครเลยในหมู่ผู้ปฏิบัติงานของเราที่จะไม่มีความรู้สึกว่าเวลาของฉันมีน้อยเสียจริงๆครูก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเธอเหมือนกันครูรู้ว่าเราทั้งสองต่างก็อยากรู้ว่าสตีฟทำอย่างไรจึงเข้าถึง เวลาที่ไม่มีขีดจำกัดของเขาได้และเขาได้เข้าถึงจริงๆแล้วหรือหรือเพียงแต่เริ่มมองเห็นหลักการเท่านั้น